ฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆ ท, ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปสิ่งที่สร้างความลังเลสงสยัย ให้กับคนทั่วไปก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นเป็นความจริงหรือไม่าะมีคำพูดที่คนมักจะมาอ้างกันว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไปออ เขาไม่เข้าใจว่าใครเป็นผู้กระทําความดีความเชื่อและใครเป็นผู้รับผลกระทําทางรับผลของการกระทําความดีหรือการกระทําความเชั่อเพราะผู้ที่ทําดีหรือทำเชื่อนี้เป็นมนุษย์ล่างหน เป็นคนที่เรามองไม่เห็นคนที่เรามองเห็นคือร่างกายของเรานี้ไม่ได้เป็นผู้กระทาดีหรือกระทำชั่วตามกฎแห่งกรรมแต่เรามองไม่เห็นคนที่ทำคือใจใจนี้เป็นมนุษย์ร่างหนเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำดีทำชั่ว ดังนั้นผู้กระทาดีทําชั่วไม่ใช่ร่างกายผู้กระทาดีทําชั่วคือใจแต่เรามองไม่เห็นใจเรามองไม่เห็นเวลาใจไปรับผลดีผลชั่วนั้นเป็นอย่างไรเราไม่มองอยู่ที่ร่างกายเพราะเราเห็นเพียงแต่ร่างกายเราก็เลยคิดว่า เวลาร่างกายทำความชั่วจะต้องรับผลชั่วคือจะได้รับความได้รับได้รับลงรับโทษต่างๆเช่นอาจจะพบกับความเสื่อมความเสียหายทางลาบยศสารเสรินสุขเช่นอาจจะจนลงถ้ามีขั้นมีตำแหน่งก็อาจจะถูก ลดขั้นลดคำหน่งเป็นต้นหรือถ้าทำผิดร้ายแรงก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตาราง<ม>คือเรามองผลที่ร่างกายเพรเราเห็นร่างกายเป็นผู้กระทําดีทาชั่วเราก็เลยคิดว่าต้องเป็นร่างกายที่จะต้องไปรับผลดีผลชั่วของการกระทําดีทาชั่ว เช่นทำดีต้องได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้รับการยกย่องสรรเสริญเยือนยอได้มีความสุขจากการเจ็บรูปเสียงกิรนย์ลดผสพัพส่วนคนทำชั่วคนทำผิดนี้คนยาเป็นผู้ที่จะต้องถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตาราง หรือลดยศลดขัน้นรดยศลดตงแหน่งหรืออาจจะเสียค่าปรับอะไรต่างๆอันนี้เรามองไปที่ร่างกายมองไปที่โล ก, กธรรมที่ร่างกายเป็นผู้รับเป็นผู้สัมผัสโล ก, กธรรมก็คือลาบยศเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่มีทั้งส่วนที่เรียกว่าเจริญ ในส่วนที่เรียกว่าเสื่อมมีลาบก็เสื่อมลาบได้มียศก็เสื่อมยศได้มีสรรเสริญก็มีนินทาได้มีสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มีความทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้<ม>นี่คือสิ่งที่ร่างกายของเราไปสัมผัสไปรับไปรับกันบางทีก็รับกับความเจริญทางลาบยศสรรเสริญสุข บางทีก็ไปรับกับความเสื่อมทางลาบยศสารเสริญสุขคือเสื่อมลาบเสื่อมยศรับความยินทารับความทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกาย mm hmm. เราก็เลยไปมองที่ผลที่จะมาเกิดกับร่างกายผลทางโลกกระาำทางลาบยศสารเสริญสุขแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องผลของกรรม เพราะว่าผู้กระทํากรรมนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้กระทํากรรมนี้คือใจผลที่เกิดกับร่างกายนี้เป็นผลที่อยู่ภายใต้กด อ, ก อ, กอีกกดหนึ่งที่เรียกว่ากดของตายรักกดตายรักคืออะไรก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน มีขึ้นมีลงได้มีเกิดมีดับได้มีเจริญมีเสื่อมได้<ม>ถ้าไปยยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นตามใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ทางใจได้ดไดไเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้เป็นอนัตตาถ้าพวกเราค<ม>วบคุมโลกกธทําได้ พวเราก็จะต้องเป็นเศรษฐีกันทุกคนสามารถสั่งให้มีแต่ความเจริญทางราบทางยศทางสรรเสริญทางตาหูจมูกนิ้นกายแต่สิ่งเหล่านี้คือโลกกระมทั้งสีน่นี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศพวกเราก็รู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้ เช่นตอนนี้อากาศร้อนจะสั่งให้มันเย็นก็ไม่ได้หรืออากาศแรงฝนแรงก็จะสั่งให้ฝนตกก็ไม่ได้หรือเวลาที่เกิดอากาศหนาวอยากจะให้มันไม่หนาวเราก็สั่งมันไม่ได้ฉันใดเรื่องของการเจริญและการเสื่อมของลาภยศเสริญสุขนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้ ต่อให้เราทําความดีขนาดไหนก็ตามเราก็หนีไม่พ้นความเสื่อมทางลาบยศสารเสริอมสุด<ม>เราก็หนีไม่พ้นเรื่องของความแก่ความเสื่อมของร่างกายก็คือร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป<ม>ต่อให้เป็นคนดีวิเศษขนาดพระพุทธเจ้าผ้าหลานตสาวกทั้งหลายร่างกายของท่านก็ต้องเสื่อมไปตามกฎของตายลา หรือร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายไปแต่นี่ไม่ใช่เป็นผลของการทำบาปทำดีหรือทำชั่วแต่อย่างใดมันเป็นเรื่องของกฎของไตรลักษณ์ที่มันเป็นกดที่ควบคุมสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้คือร่างกายของพวกของสัตว์และของมนุษย์ทั้งหลายและสิ่งต่างๆที่มีการเกิดขึ้น แล้วมันก็ต้องมีการตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามดังนั้นเราจรึงไม่ควรมองเรื่องของกฎแห่งกรรมไปที่เรื่องของการเจริญเรื่องเรื่องของการเสื่อมทางลาบยศสารเสริญสุขกันเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันคนทําชั่อก็สามารถเจริญในลาบยศสารเสริญสุขได้ ถ้าเขามีความสามารถหรือเขามีเหตุมีปัจจัยที่เอือ้อที่สนับสนุนให้เขาเจริญเขาก็เจริญได้ส่วนคนที่ทำความดีถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยมาสนับสนุนให้เขาเจริญทางราบยศสารเสริอ์สุขเขาก็ไม่เจริญคนที่ทำความดีแล้วไม่ได้ร่าได้รวยก็มีเยอะยะไป ไม่ได้ยศไม่ได้ตำแหน่งสูงก็มีเยอะแยะไปไม่ได้คนยกย่องสรรเสริญไม่ได้รับรางวัลต่างๆก็มีเยอะแยะไปไม่มีความสุขไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นมือกายเั่นไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ซื้อของหูหลาซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช้ได้ เพราะว่านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมผลของกฎแห่งกรรมเพราะว่าผู้กระทาไม่ใช่ร่างกายถึงแม้ร่างกายจะเป็นผู้รับผู้เป็นผู้กระทาแต่ทางความเป็นจริงแล้วร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเครื่องมือของผู้กระทํารจริงๆทีผู้กระทาจริงจริงก็คือร่างกายาคือจิตใจผู้สั่งการนี่แหละคือผู้ผู้กระทา ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเช่นวันนี้ใจก็สั่งให้ร่างกายเดินทางมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาทําบุญร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลของการมาวัดในวันนี้แต่อย่างใดผู้ที่รับผลของการมาวัดก็คือใจใจจะได้ยินได้ฟังธรรมได้ขได้กําจัดความสงสัยในเรื่องของกฎแห่งกรรมไป ผู้ที่ได้รับประโยชน์นี้คือใจร่างกายไม่ได้รับประโยชน์อะไรร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์เวลาเราขับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุเกิดไปชนใครตายนี่เาหน้าที่ตำรวจเขาก็จะต้องมาจับคนขับไปสอบสวนถ้าขับแล้วผิดจริงคนที่รับโทษไม่ใช่รถยนต์คนที่รับโทษก็คือคนขับ คนขับอาจจะถูกจับถูกปรับหรืออาจจะถูกจำคุกหรือถูกยึดใบขับขี่เป็นต้นเนื่องจากการขับรถด้วยความประมาทอาการมึนเมาเช่นดื่มสุราแล้วเกิดอาการมึนเมาไม่สามารถควบคุมรถยนต์ให้วิ่งได้อย่างปลอดภัยก็ไปเกิดอุบัติเหตุชนคนตายอย่างนี้เป็นต้นผู้ที่ต้องไปรับโทษไม่ใช่รถยนต์ ถึงแม้รถยนต์นี่แหละเป็นผู้ที่ไปชนคนตายก็ตามแต่รถยนต์นี่เขารู้ว่าไม่ได้เป็นผู้กระทําโดยตรงเป็นเพียงแต่ผู้รับคําสั่งจากคนขับรถยนต์อีกทีหนึงเท่านั้นผู้ที่ผิดนี้ไม่ได้ไม่ใช่รถยนต์ผู้ที่ผิดก็คือหรือผู้กระทําก็คือคนขับรถยนต์นี้ร่างกายกับใจก็เป็นแบบเดียวเหมือนเหมือนรถยนต์กับคนขับรถยนต์น ร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ส่วนคนขับนี้ก็คือใจใจนี้แหละเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายไปทําบาปหรือไปทําบุญแล้วก็ผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปนี้ก็คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายก็อาจจะไม่ได้รับผลอะไรเลยไปทําร้ายผู้แล้วสามารถหลบหนีได้หรือทําแล้วไม่รู้ว่าเป็นผู้กระทําะ ก็ไม่มีใครชืี้มาตามจับไปลงโทษได้แต่อย่างใดแต่ผู้ที่รับผลจากการไปฆ่าผู้นี้คือใจใจนี่แหละเป็นผู้รับผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําบุญหรือกระทําบาปและจะต้องอไปใช้ผลของบุญและของบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าเราไปมองที่ร่างกายเราก็คิดว่า ทำบาปเท่าไหร่ก็ไม่มีผลเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วผลก็จบตรงที่ความตายของร่างกายทำบุญทำความดีมากน้อยเพียงไรความผลที่จะได้รับก็สิ้นสุดลงที่ความตายของร่างกายถ้าคนมองแบบนี้คนก็จะมีความคิดแบบนี้ว่าทำดีไม่ได้ดีมีถมไปทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วได้ดีมีถมไปก็ <S <S เลยจะไม่ค่อยคิดที่จะทำความดีกันเพราะคิดว่าทำความดีแล้วไม่ได้ดีได้ดีทำไปทำไมคนทำชั่วกลับได้ดบได้ดีมีถมไปอย่างนั้นทำชั่วไม่ดีกว่าเลยทำบาปไม่ดีกว่าอันนี้เป็นเพราะว่าเขามองเห็นเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นที่ไม่ใช่เป็นผู้กระทำความดีและความชั่ว ไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำบุญหรือกระทำบาปผู้ที่กระทำบุญหรือกระทำบาปทำดีหรือทำชั่วและเป็นผู้ที่จะต้องรับผลดีผลบาปผลชั่วก็คือใจนี่แหละอันนี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติจิตภาวนาถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวใจได้ตัวใจตัวที่สั่งให้ร่างกาย ทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปนี้เราจะมองไม่เห็นกันเพราะว่าตาที่จะมองใจนี้ถูกปิดไว้ <c oughs> ถูกปิดไว้ด้วยกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา <c oughs> แล้วก็หลอกให้เรามาใช้ตาของร่างกายให้มองด้วยตาของร่างกายถ้าเรามองด้วยตาของร่างกายเราก็จะมองไม่เห็นใจเราจะมองไม่เห็นผู้กระทาบุญแล้วก็ทาบา เราจะมองไม่เห็นผู้ที่จะไปรักผลบุญผลบาปเลยแต่สาหรับผู้ที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านมีความสนใจมีความอยากรู้อยากเข้าใจเรื่องขนเรื่องของกฎแห่งกรรมและท่านก็ได้เรียนได้ศึกษาว่าการที่จะรู้เรื่องกฎแห่งกรรมรู้เรื่องของใจได้นี้จำเป็นต้องมีการปฏิบัติ ทที่เรียกว่าจิตภาวนาคือจำเป็นจะต้องมาปฏิบัติเพื่อมาเปิดตาในใจนี้ก็มีตาในตาในที่จะมองเห็นใจมองเห็นโลกทิพย์ต่างๆใจของเรานี้อยู่ในโลกทิพย์อยู่คนละโลกกับร่างกายที่อยู่ในโลกธาตุโลกของดินน้ำลมไฟคือร่างกายส่วนโลกของใจนี้ เป็นโลกของโลกทิพย์โลกของดวงวิญญาณใจกับดวงวิญญาณนี่แหละเป็นตัวเดียวกันเวลาที่ใจมาครอบครองร่างกายเราก็เรียกว่าใจแต่เวลาที่ร่างกายตายไปใจอยู่ตามกำพังใจอยู่ในโลกทิพย์เราก็เรียกว่าดวงวิญญาณตัวเดียวกันดวงวิญญาณนี่แหละที่เป็นผู้รับผลบุญผลบาป หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว <c oughs> ผลบุญผลบาปเป็นอย่างไร <c oughs> มันสามารถที่จะถ้ารู้จักมองก็าสามารถมองเห็นได้แม้กระทั่งในขณะที่เรายังไม่ตายกัน <c oughs> เพราะผลบุญของบาปนี้มันเริ่มแสดงตั้งแต่เราทําบุญและทําบาปเลยเช่น <c oughs> ถ้าเราทําบาปปุบ๊บเนี่ สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นในใจเราก็คือความไม่สบายใจความทุกข์ใจถ้าเรามองที่ใจเราจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อนี่แหละคือผลของการทําบาปใจเราจะมีความทุกข์ร้อนขึ้นมาไม่สบายใจถ้าเราทําบุญใจเราก็จะมีความสุขใจอิ่มใจเวลาเราทําบุญหรือทําความดีอย่างใดอย่างหนึง่ง ช่วเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อนพอเราได้ทําแล้วเราจะมีความรู้สึกสุขใจมีความปิติมีความปลื้มใจขึ้นมาอันนี้แหละคือผลของการทําบุญหรือทำบาที่มันเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอให้ถึงเวลาตายไปแล้วมันถึงจะเกิดถ้าเราทําบุญปั๊บใจเราก็จะมีความสุขขึ้นมาทันที ถ้าเราทำบาปปัป๊บเนี่ยใจของเราก็จะมีความทุกข์ใจขึ้นมา ท, าทันทีอันนี้ผลผลขั้นที่หนึ่งผลตอนที่หนึ่งก็คือตอนในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยในขณะที่เราทำบุญทำบาปเนี่ยพอได้ทำปัป๊บเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกดีหรือไม่ดีขึ้นมาในใจเรา ท, ทันทีนี่เป็นผลที่หนึ่งที่เราจะได้รับผลที่สองก็คือ หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว<ม>บุญที่เราได้ทำไว้มันจะได้มีการสะสมเหมือนกับเราเอาเงินเข้าฝากธนาคาร<ม>ทุกครั้งที่เราทำบุญเราก็เอาเงินไปฝากในธนาคารบุญ<ม>ทำกี่ครั้งก็เหมือนเอาเงินไปฝากหลายๆครั้ง<ม>จำนวนของบุญก็จะมีสะสมอยู่ในใจของเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับการกระทำบาป บาปที่เราทําในแต่ละครั้งก็เหมือนกับเราไปกู้หนี้ยืมสินที่ธนาคารทุกครั้งที่เราขาดเงินขาดทองเราก็ต้องไปกู้หนี้ต่อไปกู้หนี้เราก็ต้องเป็นลูกหนี้เราก็ต้องต้องไปใช้หนี้ต่อไปดั <Yeah. S 1> งนั้นบุญและบาปที่เราทําในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้มันไม่หายไปมันยังไม่ได้หมด <Yeah. S 1> มันยังอยู่มันสะสมอยู่ในใจเรา <Yeah. S 1> ใจเรานี้เป็นเหมือนธนาคาร เป็นทั้งธนาคารบุญและเป็นทั้งธนาคารบาปทุกครั้งที่ทำบุญมันก็จะเก็บบุญนั้นไว้ในใจทุกครั้งที่เราทำบาปมันก็จะเก็บบาปไว้ในใจแล้วมันจะมาสแสดงผลในตอนที่ร่างกายเราตายพอเวลาที่ร่างกายเราตายปับ๊บเนี่ยบัญชีบุญกับบัญชีบาปก็จะมาเปรียบเทียบกันดูว่าบัญชีไหนมีมากกว่ากัน ถ้าบัญชีบุญมีมากกว่าบัญชีบาปบุญก็จะเป็นผู้ที่เดืองดวงวิญญาณไปรับผลบุญ<ม>ผลของบุญก็คือการไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นเองได้ได<ม>้เป็นเทพชั้นต่างๆหรือเป็นพรหมหรือเป็นพระอริยบุคคลอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับของการทำบุญซึ่งมีอยู่หลายระดับเ<ม>ช่นระดับทานระดับสมาธิระดับปัญญา จะมีบุญต่างกันไปบุญขั้นต่ำก็บุญที่เกิดจากการทำทานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นบุญที่สูงกว่านั้นก็คือบุญที่เกิดจากการทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิและบุญที่สูงกว่านั้นก็คือการการมีปัญญามองมีดวงตาเห็นธรรมทำให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้กับใจทำให้ใจปราศจากความทุกข์ อันนี้ก็เป็นบุญของพระ อ, อริยบุคคลนี่คือบุญต่างๆที่ถ้าเราได้ทำได้สะสมไว้มันก็จะมาส่งผลตอนที่ร่างกายนี้ตายไปมันก็จะทำให้ใจของเรานี้ดวงวิญญาณของเรานี้เป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระ อ, อริยบุคคลบ้างเป็นพระนิพพานบ้างในทางตรงกันข้ามถ้าบัญชีบาปนี้ มันมากกว่าบัญชีบุญบัญชีบาปนี้มันก็จะเป็นผู้ส่งผลแสดงผลการแสดงผลของบัญชีบาปก็คือจะสร้างความทุกข์ร้อนให้กับใจในรูปแบบต่างๆถ้าเป็นดวงวิญญาณก็จะทุกข์ร้อนด้วยความหิวโหยเราก็เรียกว่าเปรหรือถ้าเป็นความทุกข์ร้อนด้วยความหวาดกลัวต่างๆก็เรียกว่าสุลกาย ถ้าเป็นความทุกข์ร้อนที่เกิดจากความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม mm hmm. ก็จะเป็นนรกขึ้นมา mm hmm. นี่แหละคือสภาพของการรับผลของบุญและบาปที่จะเกิดขึ้นกับผู้กระทำบุญและบาปก็คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายตายไปแล้วไม่มีใครมาจับไปลงโทษไม่ได้มีมาใครมาจับไปให้รางวี่รางวัลอยู่แล้ว มีแต่ส่งไปที่เดียวกันหมดร่างกายของคนตายของคนดีร่างกายของคนชั่วก็ไปวัดเหมือนกันไปเมนเหมือนกันไ ป, ไปชาปนกิจไปสู่การชาปนกิจไปสู่การทำลายให้เหลือแต่ขี้เท้าขี้ฐานไปอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของทุกคนร่างกายของพระเจ้าเมื่อตายแล้วก็ต้องเอาไปเผา จนกระทั่งเหลือแต่เศษพระธาตุเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกไฟเผาไปร่างกายของของอของนักโทษนี้ก็ตายไปเขาก็จับไปเผาเหมือนกันตายไปเผาไปก็เหลือแต่เป็นขี้เท่าไปเหมือนกันเฉะนั้นร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้ที่รับผลบุญหรือผลบาปไปอย่างใดและไม่ได้เป็นผู้กระทําบุญหรือกระทําบาปร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเหมือนรถยนต์เท่านั้นเอง แต่ผู้ที่กระทำบุญและกระทำบาปและผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปนี้ก็คือใจนี้และรับอยู่สามสามระดับด้วยสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็ตอนที่ทำปั๊บก็จะมีความรู้สึกสุขใจทุกข์ใจขึ้นมาขั้นตอนที่สองก็รับตอนที่ร่างกายตายไปพอร่างกายตายไปบุญหรือบาปนี้จะเป็นผู้ที่จะมา ดึงให้ใจไปสวรรค์หรือไปอบายแล้วพอบุญหรือบาปที่ดึงให้ใจไปสวรรค์หรืออบายนี้หมดกําลังลงมาในใจบัญชีบุญกับบัญชีบาปมามามีเท่ากันตอนนั้นบุญก็ไม่สามารถส่งผลได้บาปก็ไม่ส่งผลได้เพราะบุญกับบาปมีกําลังเท่ากัน ตอนนั้นเราก็จะดวงวิญญาณนี้ก็จะได้มาเกิดใหม่ได้มาได้ร่างกายอันใหม่และเหตุที่ทำให้ดวงวิญญาณที่เวลาบุญและบาปไม่สามารถให้ผลได้แล้วมาเกิดก็เพราะว่าถ้ายังมาเกิดอยู่ก็แสดงว่ายังมีตัญหาความอยากอยู่ตัญหานี่แหละเป็นตัวที่พาให้ดวงวิญญาณนี้มามีร่างกายตัญหาคืออะไรความอยากอยากได้อะไร เพื่ อ, อยังอยากเสบรูปเสียงกดลิ่นรสอยู่นั่นเองกามาตัณหาทุกคนเนี่ยที่มาเกิดนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีใครอยากจะเสบรูปเสียงกดลิ่นรสกันอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากอมกลิ่นกันเวลาที่ไม่ได้ไม่ได้เสบแล้วจะรู้สึกเหมือนคนติดยาเสพติดรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจพอได้เสบแล้วรู้สึกสบายใจเช่นคนที่ติดกาแฟ เวลาอยากจะดื่มกาแฟไม่ได้ดื่มกาแฟแล้วมันจะรู้สึกหงุดหงิดคนที่ติดบุหรี่คนติดสุร า, ารติดเที่ยยวพอไม่ได้เสพปับ๊บมันจะเริ่มรู้สึกหงุดหงิดมันเลยต้องไประบายความหงุดหงิดนี้ด้วยการไปเสพสิ่งที่มันอยากจะเสพคือเสพรูปเสียงกลิ่นดวงวิญญาณในขณะที่ไม่มีร่างกายมันก็เสพไม่ได้มันก็พราะตอนนั้นมันอยู่ภายใต้อำนาจของบุญและบาป เป็นผู้ให้คุณให้โทษกับดวงวิญญาณแต่พอบุญและบาปนั้นหมดกำลังที่จะให้คุณให้โทษโดวงวิญญาณมันก็จะรู้สึกปวดเหยียดอยากจะไปหาร่างกายทันทีอยากจะได้รูปเสียงกดลดิ่นรสอยากจะได้ร่างกายที่มีตาหูจมูกนิ้นกายเพราะการที่จะเสบรูปเสียงกดลิ่นรสผลตภาพได้นี้จำเป็นจะต้องมีมีตาหูจมูกนิ้นกาย และผู้ที่จะมีตาหูจมูกนิสการก็คือมนุษย์นี่ดวงวิญญาณก็จะไปคอลรอตามที่ต่างๆที่ที่มีการผสมพันธุ์กันที่ไหนมีการผสมพันธุ์มีการตั้งครรภ์ขึ้นมาตอนนั้นก็จะมีดวงวิญญาณเข้าไปครอบครอง ท, งทันทีอันนี้แหละเป็นเหตุที่ทําให้ดวงวิญญาณที่ยังมีกิเลสตัณหามาต้องมาเกิดใหม่ออยู่เรื่อยๆ แล้วก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ที่เรียกว่าเวียนไหว้ตายเกิดถ้าตราบใดยังไม่ได้กําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมนการกลับมามีร่างกายมันก็จะต้องมีอยู่เรื่อยๆเหมือนคนที่ติดกาแฟติดบุหรี่ติดสุราเนี่ยมันก็จะต้องเสพอยู่เรื่อยๆจนถึงวันตายเนี่ยเพราะว่ามันถ้าไม่หยุดมันก็ไม่หยุดน่ะแต่เวลามันหยุดมันต้องมันทรมาน จึงไม่ค่อยมีใครอยากจะหยุดกันเวลาหยุดเสพในสิ่งที่อยากจะเสพหยุดเสพในสิ่งที่ติดเนี่ยมันยากเพราะมันรู้สึกทรมานใจทรมานยิ่งกว่าเวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้เสพสู้ยอมไปหาสิ่งที่เราอยากจะเสพมาเสพดีกว่าพอเสพแล้วความทรมานใจมันก็จะหายไปชั่วคราวแต่มันไม่หายไปอย่างถาวรเดีย๋ยวพอฤทธิ์ของสิ่งที่เราเสพมันหมดกําลังลง มันไม่ได้ใหไ้ไม่ได้ให้ความสุขเดี๋ยวก็เกิดความหิวเกิดความอยากจะเสดใหม่เ mm hmm. นี่ยนี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่อยังมีตัณหาความอยาก mm hmm. โดยเฉพาะการมาตัณหาความอยากเสดลูกเสียงกินลสตอนนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะดึงให้กลับมามีร่างกายเ อ, อกลับมามีร่างกายมาเกิดเป็นร่างกายนี้ อา น, นิสง์ของบุญและบาปที่ได้ทำไว้มันก็ยังมีตกค้างอยู่ในใจมันก็จะมาในรูปแบบของของการที่ได้มาเกิดเกิดร่ำรวยแล้วเกิดยากจ น, นเกิดดีแล้วเกิดไม่ดีอันนี้ก็อยู่ที่อา น, นิสง์ของบาปหรือ บ, บุญที่ยังตกค้างอยู่ในใจถ้าถ้าบาปตกค้างอยู่ในถ้าเป็นเรื่องของบาปเคถ้าผู้ที่ มาเกิดมาจากอบายเช่นพ้นจากบาปมาไปรับผลบาปในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนักเสพวัคคายบ้างหรือไปตกนรกบ้างพอพ้นจากบาปนี้แล้วบาปไม่มีอิทธิพลที่จะนึงดูดไวยแล้วก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะเป็นมนุษย์ที่มีความอาภัพวาสนาจะเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์สมประกอบเช่นอาจจะมีร่างกายที่ ไม่มีอาการครบสามสิบสองร่างกายหน้าตาไม่สวยงามแล้วก็อายุไม่ยืนยาวนานมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆอันนี้จะเป็นผลที่ตกค้างอยู่ในใจของผู้ที่มาเกิดผู้ที่มาจากอบายจะมาเกิดเป็นผู้ที่มีอภาพวาสนาะ มาเกิดในครอบครัวที่ยากจนไม่มีทรัพย์เป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นนะเป็นวิบากของการทำบาปบาปมีสามตอนเกิดขึ้นตอนที่เราทำมีความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาตายไปก็ไปรับผลบาปในอบายพอออกจากอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ด้อยวาสนา ทำไมโลกเราถึงมีคนแตกต่างกันบางคนมีวาสนามีบารมีบางคนมีด้อยวาสนาด้อยบารมีบางคนเป็นแบบกลางๆไม่ไม่ดีไม่ไม่ชั่วไม่สูงไม่ต่ำอันนี้ก็เป็นอนิสงค์ของบุญและบาป ท, ที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนนี่ผู้ที่มาจากบายมาจากที่ต่าก็มักจะมาเกิดแบบผู้ที่มีด้อยด้อยวาสนา ส่วนในทางกับคำผู้ที่ลงมาจากสวรรค์ผู้ที่กับผู้ที่ทำบุญนะเวลาตายไปได้ไปอยู่ในสวรรค์พ อ, อลงมาจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นผู้ที่มีวาสนาบารมีมาเกิดเป็นลูกคนรวยบ้างมาเกิดบ้างมีมีรูปหน้าหน้าตาที่สวยงามมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอาการสามสสองที่ครบถ้วนบริบูรณ์ มีอายุยืนยาวนานเป็นต้นอันนี้แหละเป็นเรื่องของอ น, นิสงค์ของวิบากที่ทํามาในอดีตชาติผลของบุญของบาปนี่มันเกิดขึ้นสามขั้นด้วยกันสามระยะด้วยกันระยะที่หนึ่งก็ตอนที่เราทําบุญบก็ทําบาปจะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีระยะที่สองก็คือตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ใจเป็นดวงวิญญาณแนละ้วใจก็จะถูกบุญและบาบนี้ดึงให้ไปอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในอบายแล้วพอพ้นจากอำนาจของบุญและบาปแนละ้วก็มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่สูงสูงหรือต่ำมีวาสนามากหรือน้อยมีบรารมีมากมากน้อยต่างกันไปอันนี้เรียก ว, วิบากกรรมของแต่ละคน ทำไมคนเราทุกคนมาเกิดในโลกนี้จึงไม่เท่าเทียมกันแม้จะเกิดในครอบครัวเดียวกันบางคนมีพ่อแม่คนเดียวกันแต่บารมีวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนรวยกว่าอีกคนหนึ่งบางคนมีเรื่องมีปัญหามีทุกข์มีอะไรวุ่นวายไปหมดอันนี้แหละมันเป็นเรื่องของของวิบากกรรมเพราะว่าผู้ที่มาเกิดนี้มีกรรมติดตัวมา อังที่พระเจ้าทรสงสอนว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมมันใดไว้ดีหรือชัว่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นพ่อแม่ไม่ได้เป็นผู้ให้เรื่องเรื่องผลของกรรมกับเราถ้าพ่อแม่ให้ให้เรื่องผลของกรรมกับเราลูกๆทุกคนนี้ต้องเหมือนกันหมดต้องเท่าเทียมกันหมดถ้าเก่งก็ต้องเก่งเท่เทากันหมดถ้าดีก็ต้องดีเท่ากันหมดถ้ารวยก็ต้องรวยเท่ากันหมด ถ้าหน้าตาสวยงามไม่สวยงามก็ต้องเหมือนกันหมดแต่มันไม่เหมือน่ะเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ให้ผลเหล่านี้ไม่ได้เป็นพ่อแม่เป็นผู้ให้ผลผู้ที่ให้ผลก็คือบุญและบาป ท, ที่ดวงวิญญาณแต่และดวงจิตใจแต่และดวงได้ทำไวใ้ในในในในอดีตชาติมานั่นเองอ น, นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอนันตสาวกทั้งหลาย ท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนท่านเห็นได้อย่างชัดเจนเรื่องของกฎแห่งกรรมท่านจึงไม่มีความลังเลยสงสัยพระอริยบุคคลทุกคนนี้เคารพกฎแห่งกรรมมากจะไม่กล้าทำบาปเลยทุกองพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระหลานนี้จะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตท่านจะไม่ทาบาปเลยเพราะอา น, นิสงส์ของการที่ท่านไม่ทาบาปนี้ ถ้ายังต้องถ้าท่านยังต้องกลับมาเกิดอีกเช่นพระโสดาบันพระสกิรากามีนี้ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าพระโสดาบันก็เป็นอีกเจดชาติท่านอากามีก็อีกชาติหนึ่งแต่ท่านจะไม่ไปเกิดในอบายเลยเพราะว่าท่านรู้ท่านหยุดหยุดการกระทําบาปได้ท่านไม่ทําบาปท่านยอมตายเช่นพระโสดาบันนี้ถ้าเกิดจะต้องอดอยาก อดตายไปนี่ท่านย อ, ยอมอดตายดีกว่าไปรักไปขโมยไปฆ่าสัต์ตัดชีวิตเพื่อเอามาทํมาทำเป็นอาหารเพราะท่านรู้ว่าร่างกายเลี้ยงดูมันยังไงรักษามันยังไงไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องตายอยู่ดีแต่ถ้าเราไปรักษาร่างกายด้วยการกระทำบาบนี้เราไปสร้างกรรมให้กับใจของเราสร้างกรรมให้กับดวงวิญญาณสร้างบาปให้กับดวงวิญญาณที่จะต้องไปรับผลบาปต่อไปเวลาที่ตายไปแล้ว เกิดจะต้องไปเกิดในอบายนี่เอง<ม>นี้สิ่งที่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าและพระอรหันตสาหะ ท, ทั้งหลายได้เข้าถึงก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมและยังเข้าถึงเรื่องของเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดด้วยว่าอะไรเป็นเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณนี้ยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดยังต้องมาทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ พระพุทธเจ้านี้ก็ไม่อยากจะกลับมาเกิดไม่อยากจะแกะ่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายตอนสมัยที่ยังไม่ได้บวชนี่เวลาได้ออกไปนอกพระราชวังแล้วไปเห็นคนแก่เป็นข้างแรกเห็นคนเจ็บเห็นคนตายเป็นข้างแรกนี้เกิดความทุกข์ใจมากเพราะไม่เคยคิดเลยว่าร่างกายของพระองค์ไม่จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจึรงกลัวความทุกข์มากอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ให้ได้ ก็เลยไปเห็นนักบวชที่ทราบว่าเป็นผู้ที่จะมีโอกาสที่จะค้นคว้าหาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายหรือถ้าเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะสามารถดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้เมื่อเมื่อเห็นสมณะนักบวชแล้วก็เลยเกิดศรัทธาอยากจะออกบวชขึ้นมา อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะไม่อยากจะเจอความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็เลยตัดสินพระไทยสละราชสมบัติ อ, ออกบวชแต่การจะออกบวชนีท่านต้องท่านต้องไปแบบไม่ให้ใครรู้เพราะว่าถ้าถ้าขออนุ ญ, ญาตจากพระราชบิดาก็รู้ว่าจะต้องถูกห้ามอย่างแน่นอนจะไปไม่ได้ ก็เลยต้องไปแบบลักขโมยหนีไปหนีไปในในยามดึกเลยไม่บอกใครมีมหาเล็กไปส่งที่ชายแดนเพียงคนเดียวทนเองหลังจากนั้นพ่อองค์ก็ไปอยู่กับพวกนักบวชไปศึกษาวิธีที่จะทำให้ใจนี้ไม่ทุกเวลาที่จะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายซึ่งนักบวชในสมัยนั้นเขาก็รู้จักวิธีที่สามารถที่จะทำให้ความทุกนี้หายไปได้แบบชั่วคราว เป็นเวลามีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายหรือเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามนี่สามารถดับความทุกข์ใจนี้ได้ด้วยการเข้าสมาธิทําใจให้สงบถ้าฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆจนชํานาญสามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลานาทีเวลาเกิดความเศร้าใจเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจเกิดความไม่สบายใจต่างๆขึ้นมานี่ เข้าไปนั่งในสมาธินั่งในสมาธิพอจิตสงบนิ่งปับจิตจะลืมเรื่องต่างๆที่สร้างความเศร้าสร้างความทุกข์ให้กับใจความทุกข์ความเศร้าต่างๆก็หายไปในขณะที่จิตสงบเพราะว่าความทุกข์ต่างๆนี้มันเกิดจากเรื่องที่ใจไปคิดถึงมันนั่นเองพอไปคิดถึงความแก่ก็เกิดความไม่สบายใจคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นคิดถึงโรคมะเร็งนี้ พอคิดถึงแต่โรคมะเร็งคําว่ามะเร็งคําเดียวนี้มันก็ไม่สบายใจขึ้นมาแล้วแล้วยิ่งพอไปคิดถึงเวลาที่จะต้องตายขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งไม่สบายใจคนบางคนนี่ไม่กล้าใช้คำคำว่าตายเลย <c oughs> เวลาตายนี้เรามักจะไม่เรียกว่าเขาตายกันเราจะเรียกว่าเขาสิ้นลมบ้าง <c oughs> หมดอายุบ้างสิ้นบุญบ้างแต่ไม่ชอบไม่ยอมใช้ว่าคำว่าตาย เขารู้สึกว่าเวลาพูดถึงคาตายมันมันเสียดแทงไปในใจมันทำให้เกิดมีความรู้สึกเศร้าหมองขึ้นมาอาการตลอดโผล่ขึ้นมาอันนี้แหละคือความทุกข์ที่ใจไปคิดแล้วก็ไปไปไ ป, ไปเกิดความอยากขึ้นมาเนเองความจริงแล้วตัวความแก่ตัวความเจ็บตัวความตายนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้ใจทุกข์แต่ตัวที่ทาให้ใจทุกข์นี้มันเกิดจากความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทัางหากเพราะผู้ที่เขาไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเขาจะไม่รู้สึกทุกข์เลยแก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไปเนี่ยใจของพระอรหันต์ใจของพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้ใจของท่านไม่มีความอยากในเรื่องของร่างกายเลยแม้แต่นิดเดียวปล่อยวางร่างกายได้เพราะรู้ว่าร่างกายเป็นเหมือนดินฝ้ากายไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ ไปสั่งให้ฝนตกไม่ได้ไปสั่งให้แดดออกไม่ได้ชั้นใดก็ไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ท่านเข้าใจคําว่าอนัตตาของร่างกายเป็นอย่างนี้ท่านก็ปล่อยวางไม่มีความอยากเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายใจท่านก็ไม่ทุกข์แต่ยุคนั้นตอนยุค ท, ที่ตอนที่พุทธเจ้าไปศึกษายังไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้รู้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดความทุกข์ใจ เกี่ยวกับอะไรก็ตามเกี่ยวกับร่างกายก็ดีในร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายของคนอื่นที่เรารักที่เขาต้องตายไปหรือเขาต้องมีมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆนี้มันก็จะทาให้เราเกิดความทุกข์ใจได้วิธีที่จะกำจัดความทุกข์ใจในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสรตวก็คือกำจัดความทุกข์ใจด้วยการเข้าสมาธินั่งหลับตา ควบคุมใจด้วยสติให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือถ้าชอบดูลมหายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกให้รู้เฉยๆแล้วให้หยุดความคิดต่างๆพอใจหยุดความคิดใจนิ่งปั๊บนี่ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดความอยากก็จะหายไปทันทีสมัยนั้นเขานักบวชทั้งหลายนี้เขา สามารถดับความทุกข์ได้แต่เป็นความดับความดับความทุกข์แบบชั่วคราวฉท่นั้นคือดับความทุกข์ด้วยการเข้าไปในสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอมาเริ่มคิดเริ่มเห็นเรื่องราวต่างๆใจก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่าสาเหตุที่ทำให้ใจไม่ทุกข์ในขณะที่นั่งสมาธินั้นมันไม่ได้ถูกกาจัดมันเพียงแต่ถูกกดเอาไว้ ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับสมาธิเหมือนกับหินทับหญ้าเวลาเราหินไปทับหญ้าหญ้านี้มันจะงอกขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าเราย้ายหินออกมาแล้วทิ้งบอปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งพอหญ้าได้รับน้ําได้รับอากาศได้รับแดดเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่าการเอาหินไปทับนี่เราไม่ได้ไปถอนรากถอนโคนของของต้นหญ้านั่นเอง รากมันยังอยู่ในดินอยู่พอเอาเห็นออกปับ๊บพอมันได้รับน้ําได้รับแดดได้รับอากาศรากที่ยังอยู่ในดินก็สามารถทําให้ต้นยางงอกงามขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นในเวลาเราเข้าสมาธินี้สมาธินี้ก็ไม่ได้ไปถอนรากถอนโคนของตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้ว่า ตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจคือตัณหาความอยากต่างๆยังไม่มีใครรู้เองแต่รู้ว่าถ้าเข้าสมาธิแล้วความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆนี้จะหายไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาแป๊บพอเริ่มคิดเริ่มเห็นอะไรเริ่มสัมผัสกับอะไรที่ไม่ถูกใจก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเพราะตอนนั้นเกิดความอยากขึ้นมาแล้ว คืความอยากไม่ไม่สัมผัสกับสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นเองสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากจะสัมผัสรับรู้แต่พอเราต้องไปสัมผัสรับรู้มันก็ทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาหรือว่าเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ทำให้เราไม่สบายใจก็เพราะว่าเรามีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายน่เองแต่ความจริงอันนี้ยังไม่มีใครรู้ แม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองในตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆหลังจากที่ได้ศึกษากับอาจารย์จนรู้แล้วว่าอาจารย์นี้สอนได้แค่ในระดับสมาธิดับความทุกข์ได้แค่ในระดับสมาธิคือดับได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นก็รู้ว่ายังไม่สมบูรณ์ความทุกข์ยังไม่ถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธินี้ใจยังทุกข์ได้อยู่ ยังอยากจะหาวิธีที่จะทําให้ใจนี้ไม่ทุกตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่นอกสมาธิก็เลยต้องไปลองผิดลองถูกดูลองก็อดอาหารถึงสี่สิบเก้าวันความทุกข์ในใจมันก็ยังไม่หายร่างกายจะตายแล้วแต่ความทุกข์ในใจมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ก็เลยรู้ว่าความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจ ก็เลยต้องมาค้นคว้าหาความจริงว่าในใจมันมีอะไรที่จะทำให้ใจทุกข์ก็ทองเปรียบเทียบดูเวลาเข้าสมาธิใจนิ่งสงบใจไม่คิดอะไรใจไม่มีความอยากอะไรใจก็เลยไม่ทุกข์พอจากสมาธิมาพอเริ่มคิดเริ่มมีความอยากความทุกข์ก็ตามมาขึ้นมาทันทีก็เลยได้ข้อสรุปว่าออความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆนี่เองอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อยากเจริญในราบยศเสรเสริญสนุกอยากไม่ให้ราบยศสรเสริญสุขเสื่อมเวลามันเสื่อมก็ทุกข์กันเวลามันไม่เจริญก็ทุกข์กันเวลาร่างกายแก่เจ็บตายก็ทุกข์กันก็เลยรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือตัณหาความอยากนี่กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้าตาถ้ามีความอยากในลูปเสียงกลิ่นรสพอไม่ได้เสพลูกเสียงกลิ่นรสก็ทุกข์ขึ้นมาทันที ถ้าอยากดื่มถ้าอยากสูบบุหรี่พอไม่มีบุหรี่สูบก็ทุกข์ขึ้นมาอยากดื่มกาแฟไม่มีกาแฟดื่มก็ทุกข์ขึ้นมาอยากดื่มสุดาไม่มีโุดาดื่มก็ทุกข์ขึ้นมาอยากมีแฟนไม่มีแฟนก็ทุกข์ขึ้นมาอันนี้แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆเขาไม่มีเขาไม่ได้มีไม่ได้ดีไม่ได้ชั่อเขาไม่ได้เป็นตัวที่มาสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์ให้กับใจ แต่ตัวที่มาสร้างความสุขความทุกข์ให้กับใจก็คือตัวความอยากนี่ถ้าอยากแล้วได้สิ่งที่อยากได้ก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอยากไปเที่ยวแล้วได้ไปเที่ยวก็ดีใจสุขใจขึ้นมาถ้าอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวเพราะเงินไม่พอไปไม่ได้ก็รู้สึกทุกข์ใจต้องอยู่บ้านเนี่ยคนที่ตอนนี้อยู่5าวันแล้วไปไม่ได้ไปเที่ยวเพราะไม่มีเงิน ก็อยู่บ้านอย่างด้วยความรู้สึกหนุดหง็ดรู้สึกเศร้าซ้อยหนอยเหงาขึ้นมาแต่สำหรับคนที่อยากไปเที่ยวเราได้ไปเที่ยวตอนนี้ก็กำลังสนุกสนานกันอันนี้เนะี่ยความสุขความทุกข์มันก็เกิดอ ย, อยู่ที่ตัวความอยากเองแล้วเราพยายามที่จะตอบสนองความอยากเพื่อเราจะได้มีความสุขยอยู่เรื่อยๆแต่เรามองไม่เห็นว่าความสามารถของเราในการที่จะตอบสนองความอยากนี้มันมีจากัด มันไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาหรือทุกเวลาวันใดวันหนึ่งเงินทองก็อาจจะไม่พอใช้ก็ได้หรือวันใดวันหนึ่งร่างกายของเราอาจจะมีอะไรเป็นปัญหาก็ได้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้หรือถ้าหนักกว่านั้นก็อาจจะเป็นพิกลพิการไป น, นำมาพึกเอามาพาดอะไรอย่างนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะตอบสนองความอยากได้ตอนนั้นมันก็จะเจอแต่ความทุกข์ อันนี้แหละเป็ น, ปนสิพระพุทธเจ้าในทสุดก็ทรงคนเพราะว่าความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายแต่ถ้าร่างกายมันไม่พร้อมหรือเงินทองที่จะสนับสนุนาการหาความสุขเหล่านี้ไม่พร้อมมันก็จะต้องเจอกับความทุกข์อยา่าทางที่ดีถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์ก็อย่าไปอยากดีกว่าอย่าไปอยากหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุดตระพระให้ตัดไป ให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขมาหาความสุขจากการเข้าสมาธิดีกว่าเอาสมาธิทำใจให้สงบแล้วใจก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปมีแฟนมีอะไรอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่รู้สึกเศร้าส้อยห้ยเหงาถ้าเข้าสมาธิได้ถ้าทำใจให้สงบได้แล้วสามารถอยู่คนเดียวอยู่กับความว่างเปล่าได้ความอยากมีอยากไม่เป็นก็จะเป็นตัวที่ต้องตัด อยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆาก็ทำไม่ได้ร่างกายมันมีขอบเขตถึงเวลามันก็ต้องแก่เจ็บตายไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ได้ก็ทุกขึ้นมาอีกันที่สุดพระองก็เลยทรงค้นพบสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับทุกคนในโลกนี้ก็คือเกิดจากความอยากสามประการนี้ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสจึงทำให้เราอยากมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แล้วก็ความอยากให้เจริญในลาบยศสรรเสริญสุขอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตอยากมียศมีตําแหน่งมีอํานาจสั่งการใช้ใครได้ทุกอย่างที่ต้องการอยากได้รับรับรางวีรางวัลต่างๆตุ๊กตาทองเอลยเหรียญทองเลยแล้วก็อยากจะเสดลูกเสียงเกล็รถตามที่ต้องการเมื่อต้องการเสดเมื่อไหร่ก็สามารถเสดได้อันนี้ก็เป็นความอยากพอมันไม่ได้ดังใจอยากมันก็ทุกข์ขึ้นมา แล้วก็ความอยากไม่ให้ลาบยศรเสริญ ส, สุขเสื่อมเรียกว่าวิภาวะตัณหามันก็เวลามันจะเสื่อมเราก็ห้ามมันไม่ได้เงินทองที่เรามีอยู่วันดีวันดีวันใดวันหนึ่งมันอาจจะหายไปหมดไปก็ได้ยศตาแหน่งที่เราเคยมีอาจจะถูกปลดก็ได้รางวีรางวัลต่างๆที่เราเคยได้รับเราอาจจะไม่ได้รับอีกต่อไปก็ได้ ความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเคยมีอาจจะไม่สามารถหาจากหามันได้ก็มีอันนี้แหละเป็นเหตุที่ทําให้เราทุกข์กันพระเจ้าส่งคนทรถ้าตัดเหตุทั้งสามนี้ได้แล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจจะหายไปหมดร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ไม่เดือดร้อน mm hmm. ไม่ลาวโยชน์สารเสริญสุขจะเจริญหรือจะเสือ่อมก็ไม่เดือดร้อน เพราะว่าไม่ต้องหาไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่า น, นี้มาให้ความสุขแล้วหาความสุขจากการมีปัญญาตัดความอยากต่างๆทุกครั้งที่มีความอยากแล้วเห็นว่ามันเป็นตัวสร้างความทุกข์แล้วก็หยุดมันได้พอชนะความอยากได้แล้วใจก็จะสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิใจก็จะมีความสุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้น สามารถอยู่กับความว่างได้อยู่กับความไม่มีอะไรได้อยู่กับความยากจนได้พระพุทธเจ้ากับพระหลังพระสาวกนี้ท่านอยู่กับความยากจนไปถึงวันตายถึงแม้ว่าท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่แล้วพุทธเจ้าแล้วแต่ท่านก็ยังอยู่แบบขอทานอยู่ท่านก็ยังเดินออกบิณฑบาตขอรับรทานอยู่แบบเรียบง่ายอยู่อยู่แบบนอกบนกระดินกินกระส่อยู่ตาม อยู่ตามถ้ำตามเงื้อมผาตามเรือนล่างถ้าไม่มีที่รู้หลาไม่มีค้ารหัใหญ่โตอยู่กันแต่ความอยากเพราะท่านไม่มีความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกายนั่นเองเพราะท่านเห็นว่าการที่อยากจะมีความสุขทางร่างกายนี้จะทำให้ใจทุกข์นั่นเองถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องหาความสุขทางร่างกายให้หาความสุขทางใจด้วยการตัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้ หลังจากนั้นพระเจ้าก็นําเอาความรู้นี้มาสอนผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าอยากจะหลุดพ้นความทุกข์นี้ต้องมันละความอยากลดความอยากตัดความอยากทั้งหลายให้มันหมดสิ้นไปจากใจแะต้องทําจากตั้งแต่ระดับต่ําขึ้นไปสู่ระดับสูงถ้าเรายังอยากหาความสุขจากการมีเงินมีทองจากการใช้เงินใช้ทองอยู่แล้วก็ต้องเลิก ถ้าเคยใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขต่างๆก็เปลี่ยนเอาไปทำบุญทำทานแทนไปซื้อความสุขจากการทำบุญทำทานเพราะอย่างน้อยก็จะทําให้เราถ้ายังไม่ไปถึงนิพพานยังไม่สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสวรรค์แล้วก็ให้เรารักษาศีลอย่าไปทาบาปเพราะการกระทาบาปนี้ถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานนี้เราจะต้องไปเกิดในอบายทุกครั้งที่เราทาบาป ถ้รารลดสออย่างนี้ให้ได้ก่อน ล, ลดการใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขดับความทุกข์แล้วก็รักษาศีลอย่าไปทําบาปหลังจากนั้นแล้วก็ต้องเข้ามากาจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาที่มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสมถภาวนาระดับที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาระดับแรกก็คือการนั่งสมาธินี่ เวลาเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบนิ่งกิเลสตัณหาความอยากต่างๆมันก็จะหยุดทำงานความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะหายไปอันนี้เรียกว่าสมถะภาวนาทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติด้วยการรักษาสิ้นแปดทำไมเราต้องรักษาศินแเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาศิ้นแปดเราจะเอาเวลาไปทาอย่างอื่นได้นั่นเอง ที่คนรักษาสิน5้านี้ยังร่วมร่วงหลับนอนกับแฟนได้ยังหาความสุขจากการกินการดื่มได้ทุกเวลาแต่คนที่ถือสินแปรแล้วนี้ทำไม่ได้นะร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้จะกินจะดื่มตามความอยากไม่ได้้วมีเวลากำจำกัดให้ดื่มให้กินแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากสิ่งบันเทิงต่างๆมอสบันเทิงต่างๆดูหนังฟังเพลงไป ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปดำไปงานเลี้ยงต่างๆนี้ก็ต้องต้องยุดหมดต้องหยุดหมดแะการเสริมสวยความงามทางร่างกายก็ต้องหยุดหมดไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทาเผ่าทําผมอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นความสุขปลอมแล้วมันจะเอาเวลาที่เราจะมาใช้กับการทําใจให้สงบเราจึงต้องตัดกิจกรรมเหล่านี้ไปพอเราไม่มีกิจกรรมเหล่านี้พอเราถือศีลแปดเราก็จะมีเวลาว่างทั้งวัน มีเวลาว่างที่จะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาจเจริญสติเพื่อหยุดความคิดต่างๆเพราะถ้าเราไม่มีสติเราจะหยุดความคิดไม่ได้คนที่ไม่มีสติเวลามานั่งสมาธินี่ใจจะฟุ้งซ่านนั่งแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้นั่งได้ไม่นานก็รู้สึกอึดอัดทนนั่งต่อไปไม่ได้การที่จะนั่งอย่างมีผลนี้ต้องพยายามมีสติสร้างสติขึ้นมาก่อนวิธีสร้างสติก็ต้องสร้างทั้งวันทั้งคืน ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ต้องควบคุมความคิดด้วยการใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็ให้มีแต่พุโทโธพุทธโธไปภายในใจถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้เวลานั่งสมาธิใจจะไม่ฟุง้งซ่านนั่งแล้วก็จะนิ่งจะสงบได้ง่ายงั้นจะสงบได้นาน เบื้องต้นเราก็จะสามารถกาจัดความทุกข์ใจจากการเจริญสมถะภาวนาจากการนั่งสมาธิได้พอเราสามารถกำจัดความทุกข์ทางใจทางสมาธิได้แล้วเวลาเราออกออกจากสมาธิมาเราตั้นหากิเลสมันออกมาทำงานเริ่มอยากนู่นอยากนี่ขึ้นมาสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเราก็ต้องมาใช้วิปัสสนาวิปัสสนาก็คือปัญญา ปัญญา ก, ก็คือการรู้ว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากพอเราทุกข์ใจปั๊บเรามองมาที่ใจแล้วมันอยากอะไรวะจะรู้เลยว่มันอยากดืม่มอยากอยากดื่มก็แฟเลยอยากดื่มโซดาอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากซื้อนุ่นซื้อนี่ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันก็ต้องหยุดอย่อยาไปทําตามมันเพราะถ้าไปทําตามมันแล้วมันลามตามทำคราวนี้ได้แล้วคราวหน้ามันก็จะทําทอีก ถ, ถ้าให้มันดื่มกาแฟวันนี้ถ้วยนี้ได้เดี๋ยวมันก็จะมาขอดือดเหล็กถ้วยหนะึ่งถ้ามันได้สูบบุหรีม่มวนนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมาขอสูบอีกมวนหนึ่งวิธีที่จะทําให้มันเลิกได้ก็ต้องไม่ทําตามมันแล้วถ้าเราจะเลิกได้นี่ใจเราต้องมีความมีพลังมีกําลังพลังของใจก็คือสมาธินี่ถ้าเราได้ฝึกสมาธิมาชํานานพอ เ, เกิดความอยากขึ้นมาแล้วเรารู้ว่าความอยากนี้แหละเป็นที่ตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมา เราก็ฝืนมันฝืนมันด้วยกำลังของสมาธิที่เราได้มาถ้าสู้มไม่ไหวก็แสดงว่ากำลังสมาธิไม่พอเราก็กลับเข้าไปในสมาธิต่อกลับเข้าไปนั่งสมาธิทาใจให้นิ่งต่อแล้วพอออกมาพอความอยากเกิดขึ้นอีกก็ลองสู้กับมันอีกอย่าไปทำตามความอยากทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ากาลังของสมาธิเหล่านี้จะมีมากกว่ากำลังของความอยากแล้วความอยากมันก็จะหมดกาลังไป พอหมดกำลังใจมาพอหมดกำกำลังหมดแล้วมันจะไม่กลับมารบวาากวนใจเราอีกต่อไปพอเราเลิกความอยากอันนี้ได้แล้วมันไม่กลับมาเลิกบุหรี่ได้แล้วมันไม่กลับมาความอยากสู่บุหรี่ไม่มีเลิกสุราได้แล้วมันจะไม่มีความอยากจะดื่มชัวร์เลยถ้าเลิกด้วยด้วยปัญญาและด้วยสมาธิต้องเลิกด้วยทั้งสองอย่างปัญญาก็คือเห็นโทษของความอยากว่าความอยากนี้แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ความไม่สบายให้กับใจไม่ใช่อะไร ถ้าทำตามความอยากความทุกข์ความไม่สบายใจมันก็จะไม่มีวันหมดถ้าอยากจะให้มันหมดต้องไม่ทําตามมันเท่านั้นและถ้าจะฝืนความอยากได้ก็ต้องมีกําลังของสมาธิที่ที่มากกว่ามันถ้าสมาธิไม่พอก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถชนะความอยากได้พอความอยากชนะมันได้ผลเดียวแล้วมันจะไม่กลับมายึดบรบพวนเราอีกต่อไปแล้วปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะหมดไป เรื่องสุราก็จะหมดไปเรื่องบุหรีก็หมดไปเรื่องเที่ยวก็หมดไปเรื่องช้อปปิ้งก็หมดไปเรื่องมีแฟนก็หมดไปเรื่องอะไรทั้งหลายมันจะหมดไปหมดเพราะมันเกิดจากความอยากเรื่องของความแก่ก็จะหมดไปเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หมดไปเรื่องของความตายมันก็จะหมดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดจากความอยากถ้าเรามองเห็นด้วยปัญญาว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็หยุดมันไป แล้วต่อไปพอเราชนะมันแล้วมันยังไม่กลับมารบกวนเราอีกต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสั้แล้วสามารถปฏิบัติได้จนเห็นชัดเจนถึงวิธีการพ้นทุกข์ว่าจะต้องทำอย่างไรวิธีที่จะต้องไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดต้องทำอย่างไรก็คือหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปพอไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีการที่จะต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป เมื่อไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์กรใจก็จะอยู่ที่นิพพานไปตลอดทีเ่เป็นไปด้วยบรมสุขนิบานังปรามังสุ ข, ขังนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัตวและนําำมาเผยแผ่สั่งสอนให้ผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะพ้นจากความทุกข์นี้ได้มาเรียนรู้และได้นํามาไปปฏิบัติ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 อิจิตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระสสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขิติขายุโกภวะ อาพิวาทานาสีลิตะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมะวะทานติอายุวันโนสุขังพาลาังช่วงตอ่อปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามวันนี้ก็จะเป็นช่วงภางษาสังกิเพราะมีชาวต่างชาติมา ก, กันหลายคน ก็จะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้ถามกันวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต449คน YouTube พระสุชาติไลฟ์326 YouTube d กเตอร์วีช54วิทยุออนไลน์6 คลับเ o u s e 11ผู้รับฟังหน้ากุฏิ249คนรวมทั้งหมด1 9 5ครับก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ก็ต้องขออภัยท่านที่อยากจะถามคงถามในภาษาไทยก็ต้องขอเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาไกลอันนานจะมาได้สักครั้งหนึ่งพวกเราก็ยังสามารถถามได้ต่อไปในวันข้างหน้า